วันที่ 12 ธันวาคม 2536 เป็นการบรรยายอภิภาคอภิธรรมเบื้องต้นเรื่องอเหตุกจิตท่านสาธุชนที่เคารพการบรรยายพระภิกขุในครั้งนี้จะบรรยาย 19 ก็จะเป็นเรื่องของเป 3 มี 3 ดวงมีชื่อ จิต 3 ดวงเป็นหมวดสุดท้ายของอเหตุกกิริยาแต่ได้กล่าวจบไป 2 หมวดหมหม 3 ดวงนี้ในเบื้องว่า จิต 3 ดวงนี้ได้แก่ปัญจทวารวชนะจิตดวงหนึ่งมโนทวารวชนะจิตอีกดวงหนึ่ง 3 ปัญจทวารวชนะจิตคือจิตที่กำลังถึงอารมณ์ที่มากระทบ 2 ดวงนี้ก็ เปิดประตูวิถีหรือเป็นจิตที่รับอารมณ์เป็นครั้งแรกของวิถีจิตทั้ง ทำหน้าที่แรกตื่นหรือลมพึงถึงอารมณ์ที่มากระทบที่ประสาททั้ง 5 นั้นด้วยจิต โดยจะเป็นอิตถารมธรรมดาเป็นอิตถารมอย่างยิ่งหรือเป็นอารมณ์กลางๆก็ตามก็ทั้ง จิตที่มีข้อกําหนดแน่ชัดอย่างหนหนว่าจิตเราอื่นนั้นแม้ว่าจะเป็นโสมนัสอยู่หลายดวงไปเช่นเราเกิดมหากุศลโสมนัส แม้โลภะโสมนัสบางครั้งก็อาจจะดวงหนึ่งใน 89 ดวงที่เป็นโสมนัสด้วยแล้วเมื่อเกิดจิตดวงนี้ขึ้นแล้วแก่บุคคล ว่าหัฏตุปาทจิตแต่ตามตับอย่างนั้นเลยทีเดียวเป็นโสมนัสฌานเจตนาอย่างเดียวประการเดียวเท่านั้นอันนี้ก็ สามารถที่จะใช้กับคําว่ากิริยาจิตในหมวดๆที่จะได้กล่าวต่อไปได้ด้วย ของสิ่งภายนอกที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นกายวิญญัติและวจีวิญญัติอ่าในทางคือถ้าเป็นอาการทางกายก็เรียกว่าเป็นกายวิญญัติ นะที่เรียกกายวิญญาณวจีวิญญาณว่าเป็นกิริยานี้ก็หมายความว่าอาการของรูปที่เป็นกายวิญญาณวจีวิญญาณนี้ที่ ว่าเป็นกายกรรมเพราะเจตนานั้นได้แสดงออกมาทางกายเรียกว่ากายกรรมอย่างเช่นการ ละทํานองเดียวกันเจตนาที่เนื่องด้วยวาจาและแสดงออกทางวาจา เกิดผลขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ผลขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้เมื่อจําแนกประเภทของ อันองค์ธรรมก็จะอยู่ที่เจตนาอย่างเดียว นี่เป็นการจำแนกชนิดของกรรมโดยทวารกล่าวว่าจำแนกชนิดของกรรมโดย เพราะปลารบทรัพย์สินของบุคคลอื่นเพื่อประสงค์เอามา นํามุ่งควบคุมพฤติกรรมทางวาจาของตัวไม่พูดโกหกเว้นจากการพูดฝ่ายตามวาจกรเป็นกุศลกรรมฝ่ายรูปาวจกรเป็นกุศลกรรมถึงเป็นกุศลกรรม ก็แบ่งระดับออกไปอีกเป็นหลายอย่างก็ แต่น้ําตัวเจตนาไม่เป็นกิริยาแต่เจตนาที่เป็นกิริยาๆระหว่างทางที่ เจตนาที่คิดเป็นบุญไม่เป็นกรรมบาปไม่เป็นกิริยาแต่กายกรรมและวจีกรรมนั้น ที่มักจะพูดต่อว่าเป็นกิริยาอาการนี่เป็นกิริยาในทางรูปไม่เป็นบุญเป็นบาปลำพังกายวิญญาติรูปธาตุวิญญาติรูปนั้นเกิดแล้วก็แล้วกันไม่มีพลังในทางบุญทางบาปแต่เป็นเครื่องมือของเจตนาที่เป็นบุญ อ่ากายวิญญาณวจีวิญญาณที่เป็นเครื่องมือของเจตนาเป็นบุญเป็นคือใน กล่าวคำว่าเจตนาหมายถึงบุญและบาปหรือกุศลอกุศล อ่าหมู่หมายถึงตัวเจตนาที่เกิดขึ้นกับกิริยานั้นคือพวกที่ปฏิเสธ แล้วก็ส่วนในก็คือเจตนาที่อาศัยเกิดกับอาการของรูปนั้นเรียกว่ากิริยานั้นแต่ว่าเป็นกิริยาๆไม่เป็นบุญเป็นบาปคือว่าอภิเสธส่วน อ่าใช้กายวิญญัติวจีวิญญัติเป็นเครื่องมือเราถึงกล่าวว่ากายกรรมเพราะหมายเอาเจตนาที่มาอาศัย ขอให้น้ำหนักหรือศีลเอาโดยไม่แบ่งในอย่างในกติของทางศาสนาพุทธแต่พวกนี้เป็นพวกอติริย กิริยาที่ฆ่าสัตว์เป็นบาปเพราะมีเจตนาหนุน นี่ๆตรงเนี้ยท่านว่าอย่างนี้ที่ที่พระกัจจยนะ กรรมปรากฏนั้นเหมือนจะว่าทรงรับรองกิริยาว่าเป็นกรรม ในพระพุทธศาสนาลัทธิฐิติของพระองค์ในส่วนการกระทําด้วยเจตนาอย่างไรอย่างไรก็ตามว่าเป็นของโมฆะหมดอ่า ขอให้เข้าใจอย่างนี้นะครับคราวนี้อย่าง 2 อย่างนี้ที่เรียกว่า ไม่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานไม่เกิดจากจะต้องมีจิตสั่งที่เราเรียกว่า บุญหรือเป็นบาปนั้นจะอยู่ที่ ความหมายแบบเอาสภาวะปลมัส 2 คือกับกุศลอกุศล พูดเฉพาะจิต 26 เนี่ยวิญญาณในรูป 2 ผลลัพธ์จิตอกุศลจิตสั่งเอาเจตนาเป็นประธานเจตนาที่เป็นบุญเป็นบาปที่อยู่ในกุศลจิตอกุศลจิตนั้นสั่งว่าจงแสดงกิจกรรมแต่ กล่าวกล่าวว่าเหมือนเป็นบุญบาปนะหมายลึกเข้าไปถึงตัวสมุฏฐานที่ เป็นกิริยาถ้าจิตสั่งเป็นกิยานั่นน่ะแปลว่าไม่เป็นบุญเป็นบาปเลยคือตัวรูปมัน อาการอดุดันโสดปลิวก็ไม่เป็นบุญเป็นบาปรูป 2 ให้ปรากฏนั้นเป็นกิริยาจิตนี้แปลผลก็ถือนะไม่เป็นบุญ เดินไปเหยียบสัตว์ตายก็ดีพระอรหันต์พูดถ้อยคําที่ไม่ไพรอเหมือนๆไม่เป็น ที่สูบสังดูมีค่าเหมือนกับลูกที่สูบสังมีค่าแล้วกับลูก อกิริยาตาอันนี้จริงว่าการกระทําของพระอรหันต์ที่เราพูดว่าการนะฮะ อันนี้ล่ะฮะที่ความฝั่งระวังมิจฉาทิฏฐิที่ ต่อพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ปฏิเสธไม่วิเศษอย่างที่เชิญเพราะว่าต้องดูลึกเข้าไปถึงตัวสมุฏฐาน โดยดํารงบาตรโดยเอาเจตนาสั่งนั้นเป็นผู้กําหนดคุณค่าของเนี่ยคือในเอถ้าหากว่า เราจะทําอะไรตามใจชอบก็ได้คิดอย่าง 2 มันเป็นอนพยากตะคิดอย่างนี้คิดแบบมิจฉาทิฏฐินะคิด คนจะคิดอย่างท่านกลับเป็นผู้ที่ได้จะต้องเป็นพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ถึงแม้ ทำไมถึงเป็นอย่างเพราะว่าคนที่จะทําอะไรแล้วไม่เป็นเนี่ยคนจะได้เป็นอย่างนั้น ที่เป็นคนมีความรับผิดชอบในพฤติกรรมตัวเองนั้นจึงสมบูรณ์ไปด้วยนะ ทำให้พฤติกรรมนั้นกลายด้วยจิตสังกิริยานั้นเป็นกิริยา 20 นะครับ 3 ดวง 3 ดวง คือ 217 นั้นจะได้กล่าวถึงในลําดับต่อๆไปทั้ง 3 ดวงนี้ยากทั้งคู่ยากนี่หมายถึงเสียบเสียบกับกิริยาที่ มโนทวารารจนะก็เกิดขึ้นกับเราอยู่ทุก แล้วก็หติตุปะฐานนั้นก็บังเอิญไม่ใช่จิตของเราเราก็ๆคนเอาล่ะนี่ก็เพราะฉะนั้นกิริยาเนี่ย อาการที่สักแต่ว่ากระทําเรียกว่ากิริยานะฮะอ่ะเรากว่าเหมือนกับหุ่นตัวหนึ่ง อย่างบุญที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานในสมัยนี้หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถจะพูดได้ส่งเสียงได้จะพูดดีอย่างไรก็ตามพูดมั่วพูดผนกับตามหรือเทปบันทึกเสียงหรือวิดีโอบันทึกภาพบันทึกเสียงทั้งหมดในจอทีวี อย่างแค่จริงทีนี้ถ้าพูดถึงจิตที่เรียกว่าเป็นกิริยาจิตนั้นก็อธิบายทํานองเดียวกันว่าจิต <c oughs> ถ้าเป็นธรรมทางวาจาก็ทําทางหูทําความละใคร่เคืองให้กับหูของ ศักตะว่ารู้เท่านั้นที่เราเรียกว่ารู้ ที่ใช้คําว่าศักแต่ว่ารู้ใน อารมณ์บัลลัมัฏฐิเมนตะอะวะสัฏฐะฉับบัญญัติอารมณ์ออกให้เหลือแต่ปรมัตถอารมณ์อย่างเช่นฟังเสียงก็อย่าไปถือ มันจะได้เป็นกิริยาอ่าเลยว่าสัตว์เปรียบเทียบให้อารมณ์กับจิตในสติปัฏฐาน ก็คือคือธรรมารมณ์ที่เป็นบัญญัติไปหายไปจากสํานึกหายไปจากการรับรู้เหลือแต่ปรมัตถอารมณ์แต่ในการรู้นั้นจิตยังเป็นกุศลอยู่ถึงจริงๆขึ้นไป อันนั้นก็เป็นการเป็นวิธีการเจริญกุศลในระดับสูงในในระดับอวนาที่โดย อ่ากิริยาจิตเนี่ยมันสักคือจิตของเรานั้นโดย ยังมีจิตรับอารมณ์เป็นปรมาตหรือเป็นบัญญัติตามเวลาเรื่องบัญญัติ มันจะเป็นรับอารมณ์เป็นปรมาตเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ไม่ กระทำให้ตัวเองใจเองให้พ้นจากอิทธิพลของอารมณ์ฝ่ายตังแต่ จิตของตัวนั้นลอยก็แปลว่าไม่มีความเป็นบุญเป็นบาปเหนือ <c oughs> ปิริยาจิตของปราหลันจรปราหลันเวลาท่านรู้อารมณ์ภาลัยแล้ว ทำจิตของท่านให้เกิดกิเลสหรือแม้แต่กรรมดีกว่าถ้าอย่างเราเนี่ยเราก็เป็นแต่เพียงว่ารับรู้อารมณ์อะไร เรายังยังต้องเว้นไว้ใจเกิดด้วยอำนาจกุศลนั้นว่ากุศลกรรมนี้เป็นของดีนะอ่ะตรง การกระทำของท่านเป็นกิริยาไปหมดนี่จะก็ตอบว่าต่างกันตรงที่ อพระอรหันต์เนี่ยการกระทําของท่านไม่เป็นกิริยานะฮะถ้าประทานโทษไม่สามารถจะทําให้ใครคน ของคนใดคนหนึ่งๆคนแต่เห็นกับสัตว์ทั้งหลายเห็นกับตัวเองด้วยเห็นกับสัตว์อื่นด้วยว่าสัตว์ตัวก็ตามสัตว์อื่นทั้งหลายทั้งปวง ตัวเองด้วยสัตว์อื่นทั้งหลายทั้งตัวด้วยทําอะไรแล้วเป็นกิริยามันต้อง เป็นกิริยาในแง่ควรแต่เรื่องว่าเพราะมันควรๆไปตามที่มันควร ในแง่ควรแล้วมันก็ควรจะศูนย์ใช่มั้ยมันควรจะตายแล้วศูนย์นะแต่ใน ในแง่ตรงที่หมายว่าเราเราคิดจะดีก็ขอให้ดีไปเราคิดกรรมอย่าได้มาเกี่ยว ตนกับคุณสมบัติของพระอรหันต์ทั้งนั้นแต่พระอรหันต์นั้นท่านทําให้เป็นจริงทําตัวเองจากความที่ไม่เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้น จิตไม่ถึงความเป็นกรรมเองสักว่ารับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ถึงความทั้งเอ่อฐานะของตัวเองโดยความเป็นกรรมแล้วก็ปฏิเสธทั้งฐานะ เอ่ออ่าอันนี้ก็ไม่ได้จิตนะไม่ได้กรรมอื่นด้วยแล้วก็ไม่ว่าเอ่อเป็น ไม่ใช่จิตนั้นรู้อารมณ์แล้วอารมณ์นั้นไม่ได้ซอบนําจิตนั้นโดยความเป็นบัญญัติอย่างกรณีที่ว่าในแง่ของการเจริญสติ แต่ยังไม่พ้นกรรมแต่ว่าจริงๆแล้วก็นั่นแหละเป็นกระบวนการ มันบนดีกับตัวเองมั้ยมูลค่าใครตึกไม่เลยเป็นบุญเป็นบาป พวกมิจฉาทิฏฐิที่คิดว่าการกระทําของสัตว์เดนตรีญาเนี่ยจึงถือว่าส่ง สู่ลำบาทดีกว่ามันได้นู่นได้นี่เป็นอานิสงส์เห็นต่างๆเรา ความคิดที่จะกระทําที่ไม่เครื่อกูลเลยฮะไม่มีเลยถึงแม้ว่าบางทีพฤติกรรมบาง แล้วก็เอ่อวาจาเพื่ออธิบายขยายอย่างอุดไปหมดแตมก็อยู่ที่การรู้อารมณ์นั้นเองเป็นสําคัญเราอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์นะปัจจัยให้ ทีอันนี้อย่างต่อมาก็คือว่าเป็นข้อเทียบที่เห็นว่าเพราะ เจตนาที่สั่งกิริยานั้นน่ะเป็นกรรมที่ตัวเจตนานั้นแต่นี้เมื่อเทียบว่า ที่เป็นกลางที่เป็นกลางท่านเราจึงถือว่า การกระทํานั้นแม้ว่าเท้าจะไปเหยียบแต่ถ้าไม่มีจิตคิดอย่างนั้นก็ โลกะวนาจิตของพระอรหันต์ทั้งปวงอันนี้หมายความว่าจิต ที่มันเป็นกิริยาเราไม่ตั้งตัวไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอกตั้งหลัก มันก็เลยตั้งเป็นกิริยาคือเป็นก็กลายเป็นเหยื่อๆไปก็อันจริงๆเราอยาก เรเราก็เลยต้องตั้งหลักก็เลยต้องตั้งหลักทําความรู้สึกให้เป็น มันถูกอิทธิพลกิเลสถูกอิทธิพลของกรรมระหว่างอิทธิพลกรรมอิทธิพลกิเลสเนี่ยอะไรเข้า ชาวนาจิตซึ่งหมายถึงจิตเบื้องปลายของท่านก็เป็นกิริยาไม่เป็นบุญเป็นบาปการกระทําทุกอย่างของท่านอารมณ์ทุกอย่างที่ไม่ได้ทิ้งร่องรอยของความเป็น ว่าถึงความหมายที่นี้จะชี้ให้ดูถึงว่า ที่บอกว่าแรกเริ่มที่สุดนั้นมันเป็นกิริยาเพราะมันยังตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันอารมณ์กระทบประสาทแล้วมันก็ตื่นครั้งแรกโดย แปลว่าลำพังทางอารมณ์คือแรกตื่นตื่นตั้งแรกล้ําอารมณ์ที่มากระทบ แล้วก็ตามเป็นบุญเป็นบาปคิดดี จิตนี้จึงเกิดขึ้นเพราะแรงกระทบอย่างกระทันหันของดูลำดับต่อไปว่าพอหลังจากนั้น วิบากเริ่มเข้ามาครอบวิบากหรือเอาสั้นๆว่ากรรมกับกิเลสก็พอ กิเลสมาก่อนหรือกรรมมาก่อนกรรมมาก่อนใช่มั้ยเพราะนิวรณ์วิบากจิตจึงเกิดขึ้นในลําดับต่อมาจักขุวิญญาณเป็นวิบากจิตใช่มั้ยแต่วิบันในอดีตนั้นพอปืนๆในตอนปัญจัตตวาระเรา จากอ่าทวิปัญจวิญญาณ 10 ก็เกิดจากกรรมเก่าสัมปติจะนะก็เกิดจากกรรมเก่าสันติรณะก็เกิดจากกรรมเก่านี่ครอบงํามาถึงตรงเนี่ยมัน โบสถกรรมนะโบสถกรรมนะนั้นเก่าไม่ครอบงำเอ่ออันนี้น่ะย่ออะไรเพราะว่าในวิถีกิจมันต่อที่เรียกว่าต้องตั้งหลักก่อนการตัดสินใจเคลื่อย พอก่อนจะมาถึงชวนะเนี่ยโบสธรรมนะก็ตั้งหลักด้วยปัญจตวาระณาแล้วก็มา ที่ตรงนี้เป็นกิริยาที่เราต้องทําใจให้ทํานองทําใจให้เป็น คือเลือกทางไปว่าจะไปทางไหนไอ้อ่าเอาเราดูแค่นี้ก่อนนะเพื่อ ที่เกิดขึ้นในชีวิตปกติของเราแล้วก็พระ 20 เนี่ย 20 ทั้งกิริยาต่างไปหนักบ้างเบาบ้างเราเรา ไอ้สายลมเข้ามานิดเดียวเรามองไม่เห็นนะเราก็เลยเห็นมันก่อนตั้งแต่ว่าถ้าเรา เราก็จะสนุกและเป็นสุขกับสิ่งเหล่านี้คือสุขจริงๆและในที่ๆครับๆคือเกิดวิปภูมิตั้งภูมิตั้งทุกข์ภูมิตั้งทุกข์อันนี้น่ะมาถ้าหากว่าพูดถึงในปฏิบัติปัจจุบัน 20 วันเนี่ยได้อันนี้ แต่คนอื่นอาจจะ 10 วันได้แต่ผมอาจจะเป็นยาน้อย เราได้ทํางานได้ทํางานกับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทุกเราก็ทนได้สุขเราก็ไม่ไม่ถึงเป็นโมหมนะเป็นสุก ใช้ในชีวิตจริงๆแล้วไปจับตาดูความเคลื่อนเอ๊ะบาง<แ> มายังกระเตรียมนัดมารับเรานะไอ้วังวันคุณแมะจะทิ้งจดหมายๆเรื่องโดนใจทุก ผ่องไปกี่เสร็จทั้งหมดนี่ก็คือเพื่อธรรมดาของของชีวิตล่ะไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงหนึ่งก็เป็นอย่าง แล้วมันก็มุ่งอยู่เออดูแล้วก็เออเรามีผูกหลอกไอ้ที่ผม คนไม่ใช่ผิดปกติก็มาป่วยที